วิธีติดต่อกับวิญญาณและลางสังหรณ์มีหลายคนสงสัยว่าเมื่อข้าพเจ้าบอกว่าเรื่องนี้ท่านครูบาศีวิชัยหรือโอปปปาติกะตนไหนก็ตามเป็นผู้บอกแต่เหตุไรสำนวนคำพูดที่แสดงออกมานั้นสังเกตได้ว่าเป็นสำนวนของข้าพเจ้าเองเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดความสงสัยว่าเรื่องราวที่ข้าพเจ้าแถายทอดมานี้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 การติดต่อโอปปาติกะมีอยู่3วิธีคือ 1. เข้าทรง 2. เชิญลงถ้วย 3. เข้าสมาธิไปติดต่อการเข้าทรงถ้าหากว่าการเข้าทรงสมบูรณ์รยเปร์ซเราจะได้คำพูดที่เป็นสำนวนทั้งหมดของโอปปาติกะที่มาเข้าทรงวิธีนี้คนส่วนมากพอใจแต่อย่างไรก็ตามการเข้าทรงแม้จะสมบูรณ์อย่างไรก็ตาม แต่ถ้าหากคนทรงยังถอดกายทิพย์ไม่ได้คือไม่ได้มโนโมยิบธิการเข้าทรงจะทำให้เหนื่อยมากและวิธีนี้น้อยคนที่จะได้เห็นสิ่งคำพเจ้าหมายถึงการเข้าทรงที่สมบูรณ์ร0อเปอร์เซซึ่งจะเข้าทรงอยู่นานไม่ได้แต่การเข้าทรงทั่ ว, วไปที่ผู้อ่านบางคนอาจจะเคยเห็นซึ่งสามารถที่จะเข้าทรงได้ทั้งวันหรือทั้งคืนโดยที่คนทรงไม่เหนื่อย และบางทีก็มีอภินิหารหรือมีข้อเท็จจริงที่ทาให้เชื่อถือได้สำหรับในกรณีอย่างนี้คำพูดที่แสดงออกมาไม่ใช่ออกมาจากโอปปปาติกะทั้งหมดหรือถ้าจะพูดให้ถูกไม่ได้ออกมาจากโอปปปาติกะเลยแต่ออกมาจากคนทรงทั้งหมดการเข้าทรงแบบนี้ก็อยากเข้าใจว่าจะเป็นการหลอกลวงถ้าหากคนทรงเป็นคนซื่อไม่มีเจตนาหลอกลวง ถึงแม้ว่าการเข้าทรงแบบนี้คำพูดที่แสดงออกมาจะออกมาจากคนทรงทั้งหมดก็ตามก็ถือว่าเป็นการเข้าทรงที่ใช้ได้ทั้งนี้ก็เพราะมีเหตุผลอยู่ว่าคนทรงประเภทนี้จะต้องเป็นคนที่มีบารมีสมมุติว่าสามารถบอกยาได้ต่างๆและคนไข้ที่มาขอเอาไปก็ใช้ได้ผลด้วยสำหรับในกรณีอย่างนี้หมายความว่าคนทรงนั้นเมื่อในชาติก่อนเคยเป็นหมอมาแล้ว และเป็นหมอที่เก่งวิบากของความเป็นหมอมีอยู่ในสันดานแต่ตัวของตัวเองระลึกขึ้นมาไม่ได้ในเมื่อมีโอปปปาติกะมาเพ่งซึ่งทำให้ผู้นั้นได้รับกระแสจิตจากโอปปปาติกะในขณาที่ทำให้ลืมตัวหรือหมดความรู้สึกไปบ้างเป็นบางครั้งเมื่อผู้นั้นอยู่ในลักษณะรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างเหมือนกับคนที่กาลังจะหลับด้วยอำนาจกระแสจิตของโอปปปาติกะที่เข้ามาเพ่ง อันนี้แหละจะทำให้คนทรงดึงเอาความรู้เก่าๆออกมาใช้ได้ด้วยเหตุนี้เองคนทรงบางคนทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นหมอไม่มีความรู้เรื่องยาแต่ก็สามารถบอกยาคนไข้ได้บอกอาการของคนไข้ได้แต่อย่างไรก็ดีโอปปาติกะที่มาเพ่งจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องหมอด้วยเพราะฉะนั้น เมื่อจะพูดกันอีกในหนึ่งคำพูดที่แสดงออกมานั้นเป็นคำพูดที่ออกมาจากความคิดที่ผสมกลมกลืนระหว่างคนทรงกับโอปปะติกะและในกรณีอย่างนี้สำนวนคำพูดย่อมเป็นไปตามความเคยชินของคนทรงและอีกอย่างหนึ่งเราจะสังเกตได้อีกอย่างว่านิสัยใจคอที่แสดงออกมานั้นเป็นของคนทรงเอง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 ซึ่งการเข้าทรงแบบนี้จะทำทั้งวันหรือทั้งคืนก็ได้การเข้าทรงแบบนี้ย่อมหมายถึงความผสมกลมกลืนระหว่างความคิดจากจิตไร้สำนึกหรือความชำนาญที่มีอยู่แล้วในสันดานกับความรู้สึกนึกคิดของโอปปปาติกะการเข้าทรงที่แพร่หลายชนิดที่มีผลทำให้คนเชื่อถือได้มากบ้างน้อยบ้างและคนทรงมีเจตนาสุจริตนั้น ย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งสิ้นสำหรับตัวข้าพเจ้าเองที่ถ่ายทอดความคิดจากโอปปปาติกะได้นั้นก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์อันนี้แต่ข้าพเจ้ามีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือเมื่อข้าพเจ้าต้องการจะทราบเรื่องอะไรข้าพเจ้าก็จะให้คุณสีเพนเข้าสมาธิไปสักถามท่านเสียก่อนจนกระทั่งข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องนั้นดี เมื่อถึงเวลาเขียนข้าพเจ้าก็เข้าสมาธิทำใจให้สงบนึกถึงแต่เรื่องที่จะเขียนออกมาและในตอนนี้ข้าพเจ้าสังเกตได้จากตัวเองอย่างชัดแจ้งว่าท่านช่วยหรือไม่ช่วยถ้าหากท่านไม่ช่วยเพ่งส่งกระแสความคิดจากท่านมายัางข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าความคิดเชื่องช้าและบางทีก็คิดอะไรไม่ออก แต่ถ้าท่านช่วยเพ่งความคิดจะไหลออกมาเรื่อยๆสมองโปร่งมากและบางเรื่องเมื่อเขียนออกมาได้เรียบร้อยแล้วกลับไปอ่านอีกครั้งมีบ่อยทีเดียวที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าเขียนออกมาได้อย่างไรเพราะเรื่องนี้ไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจมาก่อนทั้งเป็นเรื่องที่มีเหตุผลทำให้มองเห็นความจริงต่างๆชัดเจนเรื่องไหนที่ไม่เข้าใจมาก่อนก็เกิดความเข้าใจขึ้น เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวข้าพเจ้าจึงไม่สงสัยในเรื่องการถ่ายทอดความนึกคิดที่มาจากอปปปาติกะแต่สําหรับคนที่ไม่เข้าใจความจริงเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องสงสัยคิดว่าข้าพเจ้าโมเมเอาและอีกประการหนึ่งผู้ที่สงสัยนั้นเคยเห็นตัวอย่างที่ไม่จริงมามากจนเกิดอุปาทานว่าเรื่องอย่างนี้เหลวไหลทั้งนั้น ถ้าพระเจ้ามีตัวอย่างอยู่รายหนึ่งที่สามารถจะสอบหลักฐานได้คือมีสุภาพสตรีคนหนึ่งชื่อคุณวัชรีสิริเวทท่านผู้นี้เป็นนักศึกษาที่สําเร็จจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นคนเขียนรูปเก่งมากและเป็นคนที่มีสมาธิดีพอสมควรโดยปกติคุณวัชรีเวลาเขียนรูปจิตใจจะจดจ่ออยู่แต่ในเรื่องการเขียนจนกระทั่งแม้ยุงจะกัดอย่างไรบางครั้งจะไม่รู้สึกเลย และบางทีก็หมกตัวอยู่ในห้องเขียนรูปทั้งวันอาหารไม่รับประทานครั้งหนึ่งเขาเกิดสงสัยตัวเขาเองว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับโอปปาติกะจึงมาให้คุณสีเพนตรวจดูก็ปรากฏว่าสามีของเขาในชาติก่อนซึ่งขณะนี้ยังเป็นโอปปาติกะอยู่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอในเวลาคุณวัชรีเขียนรูป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 คุณวัชรีบอกว่าเขาจะเขียนได้อย่างไรเพราะเขาไม่เคยเห็นหน้าตาของปิตณะเลยเรื่องราวในชาติก่อนก็ลืมไปหมดแล้วปิศณะบอกว่าไม่เป็นไรเวลาจะเขียนรูปขอให้นึกถึงเขาขอให้ทาจิตให้เป็นสมาธิแล้วเขาจะมาช่วยเขียนให้หลังจากที่ได้ตกลงกันในเรื่องวันและเวลาที่จะเขียนคุณวัชรีก็เขียนรูปปิตณะซึ่งใช้เวลาในราวสองชั่วโมงเศษ ร, รูปนั้นก็เสร็จเรียบร้อย คุณวัชรีบอกว่าการเขียนรูปครั้งนี้แปลกมากเขารู้สึกว่ามือมันเขียนไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้ลบเลยตั้งแต่ลงมือเขียนจนเสร็จมือเขียนไปเรื่อยๆโดยที่ในใจไม่มีความคิดเลยว่าจะเขียนอย่างนั้นอย่างนี้คุณวัชรีเขียนรูปอยู่ที่บ้านซึ่งอยู่ที่ถนนตกเลยวัดพระยาไกลไปอีกเมื่อเขียนเสร็จก็พารูปมาที่บ้านเอามาให้คุณสีเพนดูพอเห็นภาพคุณสีเพนก็ตกตะลึง เพราะว่าสามารถเขียนได้เหมือนกับรูปของกฤษณะจริงๆคุณวัชรีเขียนรูปกฤษณะได้อย่างไรเพราะคุณวัชรีไม่เห็นเรื่องนี้ก็อธิบายได้ด้วยหลักอย่างเดียวกับที่กล่าวมาแล้วนั่นเองอันที่จริงในชีวิตของคนทั่วไปก็มักจะเป็นไปตามกฎอันนี้เสมอ มากบ้างน้อยบ้างแต่คนทั้งหลายไม่รู้สึกตัวเองเพราะโดยธรรมดาในการทำงานทุกอย่างมักจะมีโอปปาติกะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอการสังหรณ์ใจก็ดีการตัดสินใจบางอย่างก็ดีมีบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นจากกระแสะความคิดของโอปปาติกะที่เขาต้องการจะให้คนคนนั้นเกิดความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นถ้าหากว่าเราจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นทุนอยู่บ้าง และมันสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตัวพยายามจดจํานิสัยใจคอของตัวเองไว้ให้แม่นและจดจําความรู้สึกนึกคิดที่เป็นของตัวเองจริงๆไว้ถ้าท่านเป็นคนช่างสังเกตอย่างนี้ในไม่ช้าท่านก็สามารถที่จะแยกได้ว่าในขณะใดความคิดอันนี้เกิดจากตัวเองแต่อันนี้ไม่ใช่แต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมว่ามีความรู้สึกนึกคิดหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาจากจิตไร้สํานึก โดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเลยแม้ในกรณีอย่างนี้บางทีก็เกิดจากการเพ่งของพวกโอปปาติกะลางสังหรณ์ต่างๆซึ่งคนโบราณมักจะถือเอาเป็นข้อสังเกตที่จะบอกให้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เรียกว่าลางนี้ส่วนมากก็มักจะเกิดจากอำนาจบรนดาลของพวกโอปปาติกะหรือไม่ก็เกิดจากอานาจแห่งวิบากกรรมของตนแต่ถึงกระนั้น ก็มักจะเกี่ยวข้องกับโอปปาติกะด้วยซึ่งจะทำให้วิบากที่มีอยู่ในจิตไร้สำนึกแสดงนิมิตเป็นลางออกมาจากหลักวิชาสั้นๆที่อธิบายมานี้หวังว่าผู้อ่านที่สงสัยหรือที่กล่าวหาว่าข้าพเจ้าโมเมเอานั้นเมื่อได้อ่านคำชี้แจงนี้แล้วก็คงจะหายความคลองใจบ้างไม่มากก็น้อย อันหนึ่งหลักของการเชิญโอปปาติกะลงถ้วยซึ่งเรียกกันว่าผีถ้วยแก้วนั้นก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมานี้เหมือนกันแต่มีรายละเอียดต่างกันบ้างนิดหน่อยเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยเขียนไว้แล้วในหนังสือวิญญาณฉบับเดือนเมษายนพุทธศักราช2508ผู้ที่สนใจต้องการจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้อ่านจากหนังสือวิญญาณฉบับรวมเล่มของปีแรก หข้าพเจ้าอยากจะขอเพิ่มเติมเรื่องเหตุไรการบริจาคคานจึงเป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวยซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เขียนลงในฉบับที่แล้วมานี้เองและข้าพเจ้าได้บอกว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าเขียนขึ้นจากคําบอกเล่าของโอปปาติกะท่านหนึ่งที่มาเข้าส่งคุณสีเพนเมื่อไม่นานมานี้ข้อที่ข้าพเจ้าอยากจะเพิ่มเติมก็คือ คนส่วนมากยังคงเข้าใจอยู่ว่าคนสมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าประเทศไหนที่กลายเป็นคนร่ำรวยขึ้นมาก็มักเนื่องมาจากการประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตหรืออาชีพที่มีทางจะเอาเปรียบคนอื่นได้ง่ายคนประเภทนี้ส่วนมากใจดำหน้าเลือดโลภมากเห็นแค่ตัวอะไรทำนองเนี้ยไม่น่าจะถือได้ว่าคนเหล่านี้ร่ำรวยก็เพราะเมื่อชาติก่อนเป็นคนใจบุญได้เคยบริจาคทานมาม า, มาก อันที่จริงเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็เคยเขียนเอาไว้แล้วเหมือนกันในหัวข้อการตอบปัญหาในหนังสือวิญญาณปีที่สองฉบับที่7และ8แต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็คิดว่าท่านควรจะเข้าใจเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งยิ่งกว่าที่เคยรู้มาแล้วขอได้โปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่า คนที่กองคนอื่นหรือเอาเปรียบคนอื่นไม่ใช่จะร่ำรวยทุกคนข้าพเจ้าเคยสังเกตตัวเองเมื่อสมัยเป็นเด็กเป็นคนชอบยิงนกตกปลาแต่แล้วก็ตกปลาไม่ค่อยได้ยิงนกซึ่งยิงด้วยหนังสติกก็ยิงไม่ค่อยถูกสู้เพื่อนไม่ได้เป็นคนทำบาปไม่ค่อยขึ้นเมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทั้งที่ความฉลาดความขยันและโอกาสก็มีเท่ากับคนอื่น และไม่ว่าจะทำความชั่วอะไรก็มักจะปิดไม่ค่อยได้แม้ไม่มีใครถามก็มักจะบอกคนอื่นผลที่สุดก็คือทำความชั่วได้ไม่นานถ้าท่านเข้าใจตัวอย่างดังที่กล่าวมานี้ท่านก็จะเข้าใจไม่ยากว่าทำไมคนบางคนทั้งที่ก็เป็นคนโกงเหมือนกับคนอื่นแต่คนหนึ่งร่ำรวยอีกคนหนึ่งไม่ร่ำรวย คนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดกันอย่างหนึ่งว่าคนที่โกงคนอื่นแล้วร่ำรวยนั้นมักจะถือกันว่าดีแต่การถือว่าดีก็มีเฉพาะแต่ในกลุ่มของคนที่มีจิตใจระดับเดียวกันเท่านั้นคนที่โกงคนอื่นได้นานและโกงอย่างได้ผลนั้นมีสาเหตุอยู่สามอย่างที่จะต้องพิจารณาคือ 1. เป็นเพราะบุญเก่ายัางให้ผลอยู่ 2. เป็นเพราะโอกาสของคนนั้นดีกว่าของคนอื่น 3. เป็นเพราะเขามีความถนัดในเรื่องนั้นมีความจัดเจนมากกว่าคนอื่นเพราะเคยทำความชั่วประเภทนี้มามากแต่อย่างไรก็ดีคนที่ทำความชั่วได้นาน กว่าคนอื่นจะรู้หรือได้รับโทษนั้นมันเป็นการลงโทษอย่างยุติธรรมอยู่ในตัวแล้วเพราะเมื่อทามานานทรมามากวิบากก็ต้องมีมากและเขาก็จะต้องได้รับผลจากวิบากของความชั่วอันนั้นอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งเนื่องจากเมื่อทำความชั่วบ่อยๆวิบากของความชั่วก็จะต้องสะสมมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จะต้องให้ผลนาน หรือให้ผลมากกว่าคนที่ทำความชั่วน้อยเพราะฉะนั้นอยา่าไปหลงผิดว่าทำดีแล้วจะไม่ได้ดีทำชั่วอาจจะได้ดีก็ได้สำหรับคนที่มีเงินแต่ใจตำ่ำซึ่งมองดูแลไม่สมกับเหตุผลที่ว่าเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนใจบุญได้บริจาคทานไว้มากจึงได้เกิดมาร่ำรวย ข้าพเจ้าขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าคนมีเงินบางคนซึ่งไม่ใช่ทุกคนยิ่งมั่งมียิ่งเห็นแก่ตัวคิดแต่จะหาทางเอาเปรียบคนอื่นอยู่เรื่อยๆคนประเภทนี้ที่ทำความชั่วแล้วไม่ได้รับผลชั่วนั้นนอกจากจะเป็นเพราะบุญในชาติก่อนคุ้มครองและเป็นเพราะเขาเคยทำความชั่วอย่างนั้นมามากมีความชนานาญมากเพราะฉะนั้นจึงรู้จักหลบหลีกตบตาและหลอกคนอื่นได้ง่าย นอกจากความจริงดังที่กล่าวมานี้แล้วยังมีอีกแง่หนึ่งก็คือเนื่องจากเขาดีแต่ในเรื่องการให้ทานส่วนความดีในด้านอื่นมีน้อยและไม่หนักแน่นไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นพอมีเงินมากขึ้นหรือมีช่องทางที่จะได้เงินมากขึ้นความดีที่มีอยู่เหนียวรั้งเอาไว้ไม่ได้ทั้งทั้งที่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีเงินเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมีเมตตาการุณา คนทุกวันนี้ที่เสียกันมักจะเป็นเพราะเหตุนี้มากกว่าขอได้โปรดจำไว้ให้แม่นทีเดียวว่าถ้าคนไหนสันดานไม่ดีมาตั้งแต่เกิดเห็นแก่ตัวมาตั้งแต่เกิดรับรองได้ทีเดียวว่าคนประเภทนี้จะร่ำรวยเพราะการโกงไม่ได้เป็นอันขาดเพราะจะไม่มีใครไว้ใจเข้ามาตั้งแต่แรกฉะนั้นจะไปโกงใครเข้าได้คนที่มีความดีไม่พอหรือมีความดีไม่มั่นคงพอมีเงิน พอมีช่องทางที่จะได้เงินก็มักจะเสียคนเกือบทุกรายแต่สำหรับคนที่มีความดีมั่นคงและมีสติปัญญาลึกซึ้งคิดอะไรได้ไกลเกินกว่าคนธรรมดาคนประเภทนี้ยิ่งมั่งมียิ่งใจบุญยิ่งสงสารคนยากจนความคิดจะพัฒนาไปในรูปที่จะหาทางไม่ให้คนมั่งมีเอาเปรียบคนยากจนคนฉลาดเอาเปรียบคนโง่คนดีอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกปัจจุบัน แต่บางคนไม่เคยพบคนดีอย่างนี้เคยพบแต่คนไม่ดีฉะนั้นจึงยึดถือผิดว่าคนมั่งมีจะต้องเป็นคนโกงเสม อ, อ เ, เพราะเหตุไรคนไม่ดีจึงมักประสบแต่คนไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีปัญหาข้อนี้ท่านที่มาเข้าทรงคุณสีเพนในวันนั้นก็ได้บอกไว้แล้ว แต่ยังไม่มีหน้ากระดาษจะลงฉะนั้นจึงขอเลื่อนไปฉบับหน้ารกสวรรณ์ที่ใจอยู่ที่ไหนเหมือนไกลคลิกไกลเธอกคืนเธอก็ได้เจอแต่ทุกครั้งเธอไม่สังใจเองแต่วันที่เธอไร้ร่างกาย เธอจะเหลือแค่เพียงใจให้ลองคิดเธอจะไปไหน I just h a n t you to k n o